เสียสละคือเสียอะไรไปแล้วรู้สึกดีพวกเราอยู่ในโลกยุคที่ผู้คนเรียกร้องให้คนอื่นเสียสละแต่ตัวเองตั้งหน้าตั้งตากอบโกยยุคที่ไม่มีใครยอมให้ใครแซงหน้าตัวเองต้องได้อภิสิทธิ์ก่อนยุคที่คนเสียสละดูเหมือนคนกระดูปลอะใจอ่อนยอมเสียเปรียบโง่เงาเต่าตุน ส่วนคนกอบโกยได้กอบโกยดีดูเหมือนคนกระดูกเหล็กใจแข็งได้เปรียบฉลาดล้ำโลกเป็นอย่างนี้สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนี้ก็เหมือนน้าเชี่ยวที่ซัดพาทุกคนไปในทางเดียวกันจะลงตามหรือขึ้นสูงก็ช่างมันคนที่มีสติดีเป็นตัวของตัวเองจริงคือคนที่รู้ว่าจะไหวทวนกระแสไปทาไม เมื่อเชื่อว่ามีจุดหมายอยู่ที่ใจสบายใจเดี๋ยวนี้สบายใจก่อนตายคุณจะไม่ถามตัวเองเหมือนคนอื่นๆว่าจะดีไปทําไมจะให้ไปทําไมจะห้ามใจไปทําไมมีแต่จะสํารวจเข้ามาว่าระหว่างตามใจตัวเองอนุญาตให้ตัวเองทําเรื่องผิ ด, ผดเพื่อความสุขบูบูบับ บ, บ, บักับห้ามใจตัวเองเพื่ออยู่กับความรู้สึกที่ถูกต้องอันไหนดีกว่ากันในระยะยาว การเชิดหน้าศสียสละยังมีสติรู้เป้าหมายแตกต่างกันมากกับการงอตัวงอยอมจำนวนยกให้แบบไม่รู้ว่าจะยอมไปทําไมเสียสละได้ครั้งหนึ่งจากเรื่องง่ายๆตื่นๆที่ผู้คนแข่งแย่งกันใครอยากแซงแซงไปลดความเร็วให้เลยใครอยากชิงอภิสิทธิ์ยกแป้นหมายเล็กหนึ่งให้เลยสังเกตไปด้วยว่า บนแป้นหมายเล็กหนึ่งนั้นแคบร่วงง่ายต้องพยายามทรงตัวดีๆต่างจากพื้นดินราบที่กว้างทรงตัวสบายไม่ต้องกลัวหลนเครื่องหมายของการเสียสละคือเสียอะไรไปแล้วรู้สึกดีกว่าเดิมส่วนเครื่องหมายของการยอมหงอคือเสียอะไรไปแล้วโกรธตีอกชกหัวหรือเก็บกดหดหูอยู่กับอารมณ์จุก โลกเป็นอย่างนี้สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนี้ก็เหมือนห้องสอบใหญ่ที่ผ่านยากรอดยากจากการสอบตกซ้ำชั้นใครผ่านได้คนนั้นเก่งพอและต้องมีธรรมะพระทับจริงอยู่ในใจไม่ใช่มีแค่ธรรมะประดับเล่นอยู่ในหัว